ถ้าถูกต้องนะต้องบอกว่าต้องมีสัมมาสมาธิถึงจะเกิดปัญญาเราไปแปลมักง่ายเราไปแปลว่าสัมมาสมาธิคือจิตสงบจิตสงบ ก, กับจิตตั้งมั่นไม่เหมือนกันสัมมาสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นจิตมีความตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็ได้แต่จิตตั้งมั่นฟังแล้วก็แปลกหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนานแล้วนะตอนนั้น แต่นั้นฟังเรายังไม่เข้าใจท่านท่านบอกท่านอยู่กับหลวงปู่เสาสมัยนะั้นอยู่กับหลวงปู่สาวเป็นเนนไม่ใช่หลวงปู่เสาเป็นเนนนะหลวงพ่อพูดเป็นเนน <c oughs> วันหนึ่งหลวงปู่เสาก็บอกกับเนนพุธบอกเนนวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยบอกเนนพุธฟังแล้วงงอ <c oughs> เขาก็ลือว่าท่านเป็นพระอราหันต์นะทำไมพระอราหันต์จิตไม่สงบเลยนะ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 ไหลไปอยู่ที่ท้องพองยุบไหลไปอยู่ที่เท right ้าไหลไปอยู่ที่มือไหลไปอยู no. ่ที Deep ่ใดที่หนึ่งแล้วก็นิ่งๆอยู่ที่นั้นก็เรียกว่าสงบอยู่ในอารมณ์มันนั้นสงบอยู่ไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่แต่ตั้งมั่นอยู่นั้นสงบนตัวที่ตั้งมั่นนันมันสงบขันมันจะเคลื่อนไหวไปมาถ้าเคลื่อนสเปสสะปะนะเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเคลื่อนอดีตเคลื่อนอนาคตเรียกว่าฟุ้งซ่านถ้าเคลื่อนไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่า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 สิทิที่มันตั้งมั่นรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่จะมีลักษณะเด่นคือมันเบามีความเบามีละูุตามีความอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาไม่ถูกกิเลสตัณหาใดๆครอบงำนะควรแก่การงานนะถ้าถูกกิเลสครอบงำอยู่ไม่ควรแก่การงานเรืนะ่อกรรมญญตตาควรแก่การงานสิทธิที่ตั้งมั่นอยู่จะมีความคล่องแคล่วในการรู้อารมณ์ไม่ใช่ซึมกระถือทื่อๆเคียๆแข็งๆนะ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 กายนี้แสดงความเป็นใจรักษณไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็แสดงความเป็นใจรักไม่ใช่ตัวเราในทันทีที่จิตตั้งมั่นขึ้นมานี่พวกเราภาวนามาคนตั้งหลายปีแล้วยังไม่เห็นกายเห็นใจเป็นใจรักษณเลยมีแต่รู้สึกว่ายิ่งภาวนายิ่งเที่ยงเนี่ยจิตสงบคงที่เที่ยงตลอดเนี่ยนี่พวกหลงผิดบางคนภาวนาแล้วจิตน้อมไปอยู่ในความว่างนี่เที่ยงตลอดเลยในความว่างนี้มีแต่ความสุขด้วยเห็นไหม มีทั้งเที่ยงมีทั้งสุขแล้วรู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้เป็นอัตตาเพราะนาผิดแทนที่จะเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะกลับจะเห็นกายเห็นใจเป็นนิจจังสุขขังอัตตานี่สะสมมิจฉาทิฏฐิมากกว่าเก่าอีกอย่างหลายคนนั่งภาวนานาะทนเจ็บทนปวดได้นั่งโต้รุ่งได้พอหมดเวลานั่งมันภูมิใจลึกๆนะกูเก่งกูเก่งขึ้นมาอีก ถ้าภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยอจารย์มหาบวัวใช้สับนวนนี้กิเลสหนังไม่ทถลอกเลยหนังใครทะลอกหนังเราสินั่งนานๆหลายชั่วโมงก็ถลอกนะเป็นแผลกดทับได้นะแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะบางท่านต้องทําอย่างนั้นบางท่านต้องทรมานเป็นพวกทุกข์ขาปฏิปทาแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วแต่จริตนิสัยคนแล้วแต่อินทรีย์แกอ่อนกว่ากันแล้วแต่กิเลสที่รุนแรงกว่ากัน คนที่กิเลสรุนแรงก็ต้องหัดแบบเข้มงวดกวดขันดุเดือดเรียกว่ามีทุกขาปฏิปทาคนที่กิเลสเบาบางก็เป็นสุขาปฏิปทาหัดง่ายๆสบายๆนะแต่ละคนไม่เหมือนกันที่สําคัญนะต้องมีใจที่ตั้งมั่นใจที่ไม่ตั้งมั่นมีสองแบบนะอันหนึ่งไหลไปไหลามาตามกิเลสไปทางโน้นทีตามกิเลสไปทางนีนททงน้ที อีกอันนึงเข้าไปจอนิ่งๆอยู่ในอารมณ์มเดียวอันนี้เป็นกิเลส ช, ชั้นสูงเรียกว่ารูปปราคะบ้างอารูปประราคะบ้างส่วนตามกิเลสไปวุ่นวายทางโน้นทางนี้นะั้นก็เป็นการมราคะไปนะอยากได้อารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายสายแสบไปเรื่อยมีการมราคะแทรกจิตน้อมลงไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มเดียวนะพออกพอใจในการเพ่งรูปนะมีรูปประราคะ บางคนพอใจในการเพ่งความว่างเพ่งนามทั้งหลายนะแล้วก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินพอใจอยู่เรียกว่ามีอรูปประาคาเห็นไมมีกิเลสท่านนะั่นเะยนะยิ่งภาวนานะไม่ได้ลดกิเลสนะมีแต่สะสมกิเลสไปเรื่อยแต่จิตตั้งมั่นอยู่จิตจะไม่ไหลไปไม่หลงไปนะจิตมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวณใดๆครับงํา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 ถ้าอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัตินะสิ่งที่ตามมาคือการเพ่งถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจมีอยู่เท่านั้นแหละลงมือทําก็ทําได้แค่นั้นอะ่ะไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้จริงหรอกเพราะั้นให้เรารู้ทันใจของเรานะใจเราไม่มีกิเลสตัณหาใดๆครอบงำจิตใจอ่อนโยนจิตใจเบาๆจิตใจสบายจิตใจปราดเปรียวจิตใจรู้อารมณ์ทั้งหลายซื่อๆ อ, อะไรเกิดขึ้นเรารู้ซื่อๆหลวงพ่อคําเขียนชอบพูดรู้ซื่อๆ ท่านเก่งนะพยายามไปเรียนกับท่านบ้างจะได้เฉลี่ยกันไปไปหาหลวงพ่อคําเขียนบ้างท่านสอนให้รู้ซื่อหมายถึงสภาวะใดปรากฏก็รู้ไปด้วยใจสบายๆเนะช่นร่างกายมันทุกข์ร่างกายมีความทุกข์รู้ซื่อๆก็เห็นร่างกายมันทุกข์ไม่ใช่ดูให้มันเป็นความสุขขึ้นมานะจิตใจมันฟุ้งซ่านดูด้วยใจซื่อๆก็เห็นว่าจิตมันฟุ้งซ่านไม่เฉลียวฟุ้งซ่าน กายมันป่วยไม่ใช่เราป่วยนะเห็นเล็กทั้งกายทั้งใจมันทํางานของมันเองไม่ใช่ตัวเรานะรู้ซื่ อ, อไม่ต้องไปดัดแปลงนะไม่จําเป็นว่าต้องดีเสมอไปหรอกชั่วก็ดีก็พอๆกันแหละสมัยก่อนมีคนมาเล่าหลวงพไม่ได้ยินเองบอกไปคุยกับท่านพุทธทาสท่านบอกชั่วก็ดีอับรีพอกันนะอันนี้ไม่ยืนยันนะเพไม่ได้ยินด้วยหูตัวเองแต่ท่านพุทธทาสท่านชอบพูดคาว่าอัปรีย่ย อัปรีแปลว่าไม่น่ารักเพราะฉะนั้นใครทำตัวไม่น่ารักเรียกคนอัปรีมันมาจากรากศัพท์คืออปิยะปิยะผู้เป็นที่รักใช่ไหมอย่างพระปิยะมหาราชเนี่ยมหาราชที่รักนะ <Palm of God> นี่คนไม่น่ารักเรียกคนอปิยะคนไม่น่ารักภาษาไทยเลยไม่ใช่อัปรีรากศัพท์ตัวเดียวกันี่ยเราทำตัวน่ารักน่ารักนะจะได้ไม่อัปรี จะได้เป็นปียะบางคนทําตัวดีนะไม่ใช่เป็นที่รักของมนุษย์อย่างเดียวเขาเรียกเทวานําปิยะทัศนรีเป็นที่รักของเทวดาเทวดารักนะเทวดารักคนดีๆช่วยเหลือเทวดาก็มีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่นิจยายหลอกเด็กเขาช่วยเราได้แปลกๆเหมือน ก, กันแต่ว่าอย่าไปเอาเขาเป็นที่พึง่งเขาเองก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งเขาก็มีความทุกข์ของเขาไม่ใช่ที่พึง่ง แต่เป็นมิตรกันไดนะ้เป็นมิตรช่วยเหลือกันได้หลวงพ่อเคยเจอนะคราวหนึ่งเดินลงจากกุติที่สวนโพเดินถนนที่สวนโพก็ไม่กว้างเท่าไหร่ระหว่างกุตติเดินแคบๆเดินไปเดินเลยไปแล้วนะนมันมีใครเอาไม้อะไรมาวางไว้ท่อนหนึ่งวะอยู่ข้างถนนเนี่ยเราเดินเฉียดมันมาห่างแค่นเนี้ยฮันพี่ดูงูงูเห่านะแต่งูเห่าตัวนี้ตัวแข็งทื่อเลย ก็แข็งหัวแบนติดพื้นเลยกระดุกกระดิกไม่ได้นี่เราภาวนานะถึงขาวขับขันจนตัวก็มีคนช่วยแต่ว่าไม่ใช่เขาเป็นที่พึ่งนะไม่ใช่สารณะสา ร, รณะต้องเป็นพระรัตนตรัยเท่านั้นเราภาวนาไปเถอะก็เป็นที่รักของเทวดาของมนุษย์นั้นหัดรู้สึกตัวนะหัดรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็คอยรู้ทันจิต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 อะไรๆ ไ, ไม่ใช่เราทั้งหมดเลยใจตั้งมั่น ใ, นใจตั้งมั่นนี่สําคัญมากในพระไตรปิฎกท่านจะพูดถึงเรื่องการเข้าฌา น, นการเข้าฌานก็เป็นการฝึกให้จิตตั้งมั่นส่วนที่พวกเราเข้าเนี่ยมันไม่ใช่ฌานแท้ๆนะส่วนใหญ่ที่นั่งภาวนา ง, งอกๆแงๆนะแนั้นนั่งขาดสติไม่ใช่ฌานหรอกยิ่งนั่งยิ่งโมงหะมากยิ่งสติไม่มี น, นั่งเข้าฌานนั่นไม่ขาดสติรู้เนื้อรู้ตัวตลอดหายใจก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยนะ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 มีความสุขจิตใจไม่หนีไปไหนในะจิตใจจดจอ่ออยู่ในดวงกสินนี่นี่เรียกว่าปฐมฌานนะนี่ปฐมฌานไม่ขาดสติไม่ใช่นั่งนี่ราบอกว่าเข้าฌานไม่ใช่ดังนั้นเข้านอกฌานนะลงเป็นเลื้อยอยู่ตามพื้นแล้วนะรู้สึกตัวเรื่อยๆนะเห็นจนกระทั่งใจมันตั้งมั่นเนะี่ยใจตรงที่ทําฌานมาแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะี่มันตั้งได้นาน ในพระไตรปิฎกจะพูดถึงว่าพระ อ, ออกจอากฌานนะมีจิตที่เบามีจิตที่นุ่มนวลมีจิตที่ควรแก่การงานมีจิตที่คล่องแคล่วว่องไวมีจิตที่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์โน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อยานทัศนะคือใช้จิตนี้แหละมีสติไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นตัวนี้ก็จะเกิดยานทัศนะขึ้นมาเห็นเครื่องมือสองตัวนะอันแรกมีสติ ที่สองมีความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ไหลไปแช่ในอารมณ์งั้นมีสติฝึกสติก็คือฝึกหัดรู้สภาวะไปสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่น น, ะนี่เราเข้าฌานไม่เป็นเราก็ใช้วิธีทางลัดเอาถ้าเข้าฌานได้มันจะได้สมาธิลึกในขั้นอัปปนาสมาธิถอนออกมาอยู่ในอุปจาระนะยังดูสภาวะต่อได้แต่ถ้าทาอย่างนั้นไม่ได้เราก็รู้สึกเอารู้ทันจิตที่ไหลไป จะได้คณิกะสมาธิและสมาธิอีกชนิดแต่แค่คณิกะสมาธินี่ก็พอจะเป็นพระอราหันต์ได้แล้วถ้ามีนะส่วนมากไม่มีกระทั่งคณิกะสมาธิมีแต่สมาธิเพ่งใจเพ่งเพ่งแข็งแข ง, แข ง, แขงเครียดเีย ด, ยดซึมซึมนั้นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิเพราฝึกไปนะฝึกไปให้กันบ้านนแรกเลยหัดรู้สภาวะไปความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้ความหลงเกิดก็รู้นะดูไปเรื่อยๆ แล้วใจมันไหลไปที่ไหนก็ค่อยรู้ไปถ้าใจไม่ไหลไปนะใจตั้งมั่นอยู่แล้วมีสติหตความโลภเกิดนะมันรู้เองนะความโกรธเกิดมันรู้ได้เองความหลงเกิดรู้ได้เองฟุ้งซ่านหดหู่เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นรู้ได้เองโดยไม่ต้องจงใจรู้เรียกว่าสติมันอัตโนมัติอย่างนี้ใช้ได้ละแล้วก็ใจตั้งมั่นใจไม่ไหลเช่นเห็นความโกรธใจก็ไม่ไหลไปที่ความโกรธ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 เห็นร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนจะเห็นอย่างนี้เลยพอมาเห็นความสุขความทุกข์แล้ก็จะเห็นเลยความสุขความทุกข์เป็นของแปลกปลอมพอมาในกายในใจชั่วครั้งชั่วคราวผ่านมาผ่านไปก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเห็นจิตเห็นใจนะจิตเป็นกุศลบ้างกุศลบ้างก็เห็นว่าจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงมันไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงจะรู้สึกว่าไม่มีเราหรอก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 การจะให้เกิดสติคือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยนโกรธก็รู้มันโลภก็รู้มันหลงก็รู้หัดรู้สภาวะเรื่อยเยจอทั้งเห็นเลยสภาวะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ภูมิรู้ของจิตเนี่ยบางคนฝึกตรงนี้เลยนะก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้เลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ภูมิรู้ของจิตร่างกายก็เป็นของที่จิตรู้อะไรอะไรก็เป็นของที่จิตรู้ความสุขความทุกข์ก็ของจิตรู้โลภโกรธหลงก็เป็นของที่จิตไปรู้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 อย่างหนึ่งนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนิดพวกติดเพ่งพวกหนึ่งเผลอพวกหนึ่งเพ่งนะแล้วก็ตัวที่รู้ว่าเผลอตัวที่รู้ว่าเพ่งเนี่ยเรียกว่ารู้หัดนะนะแค่นี้ง่ายๆถูกหลวงพ่อจับกรรมาฐานอะไรมันง่ายหมดเลยนะแต่ก่อนจะง่ายนะก็ยากสาหานะัสกว่าจะจับแก่นของมันได้จับหลักของมันได้แต่เดิมก็คิดเหมือนพวกเราแล้วว่าทำยังไงมันจะดี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 นะแม่ยายป่วยพ่อตาคนที่เจจะตายแล้วอะไรเงี้ยเรื่องมากนะหนีอย่าหนีนั่นเองนะต้องลงทุนให้กับชีวิตตัวเองนะคนอื่นเขาก็ช่วยเราแล้วลเกื้อกูลให้เราได้มาเรียนเราก็ตั้งใจครับการปฏิบัติไม่ยากหรอกนะฟังหลวงพ่อสาวันสี่วันเนี่ยก็เป็นลนะมันง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยส่วนใหญ่ไปชอบไปเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอามันจะได้อะไรก็ได้เพ่งน่ะสิ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 อ้าวเชิญไปทานข้าวได้นิมนต์เลยครับ